คนที่มีนิสัยวาสนาพร้อมแล้วคือจำพวกอุคติตนยูเช่นอย่างพระยดคุณระบุตรยุคสาษิบุญโมกขันลาเป็นต้นนี่คือจำท่านที่เป็นอุคติตนอยูคอที่จะรู้เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว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 ขั้นเป็นหนังแต่อีกขั้นหนึ่งก็หนักลงไปกว่านั้นหนักลงไปเป็นขั้นๆจนถึง ข, น, ขนาดที่ว่าโรคไม่ฟังยายาจะดีวิเศษวิสโสหมอจะมีความรู้เชี่ยวชาญหรลอขนาดขนาดไหนมันก็เข้ากันไม่ได้กับโรคแพนิดไม่รับยาสุดท้ายก็ปล่อยไปตามดึงตามกรรมจิตใจของสัตว์โลกก็เหมือนกันเช่นไัน ที่คอยรับยาอยู่แล้วยัง่านอุปติกันอยู่ถัดลงมากวิปปิจกันอยู่และกลับมาในยะที่พอแนะนำสั่งสอนหรือพอถดพอลากกันไปได้อย่างที่เราทั้งหลายอุตสาพยายามเจียจตะกายด้วยวิธีต่างๆหลายครั้งในผมทำซ้ำๆสักๆ ธรรมะค่อยๆอย่างเข้าถึงใจเข้าถึงใจเออรรมื่อเราทำไม่หยุดไม่ถอยธรรมะออกเข้าถึงใจเรื่อยๆเอาไปหล่อเลี้ยงภาในจิตใจเรื่องกิเลสก็ค่อยขยายตัวไปขยายตัวไปธรรมะมีมากเพียงไรอา น, นาจก็มากกิเลสก็มีอำนาจน้อยถ้าธรรมะไม่มีเลยกิเลสมีอำนาจเต็มที่อยากจะแสดงตัวยังไงก็แสดงมาเต็มเม็ดเต็มหน่อย ความเดือดร้อนจือมีมากเพราะกิเลสมันมากมีอำนาจมากขอความเดือดร้อนให้แก่โลกได้มากเ mm. มื่อธรรมะได้แทรกศีลก็เข้าถึงใจมากน้อยกิเลสก็ค่อยอ่อนกำลังอ่อนอำนาจลงไปธรรมะก็มีอำนาจลงเข้าไปโดยลาดับลำดับการปฏิบัติธรรมจึง mm. มี mm. ความจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะพยายามให้ทำ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 ใจก็จะค่อยเผดความเยี่มเยี่ยมแจ่มชัดมีความสงบร่มเย็นภายในตัวเองและเห็นคุณค่าแห่งใจและเห็นคุณค่าขอางตัวเองโดยลําดับการทํำจะมีความจําเป็นสําหรับผู้ต้องการความถูกความเป็นเลยโดยทั่วไปซึ่งปตะกวนอบรมให้มีขึ้นภายในจิตใจยากลําบากเราไม่ต้องถือว่าเป็นอุปสรรคคุณเคยอธิบายนาหลายครั้งในหนุนแล้ ว, วการแค่กิเลสจะไม่ยากยังไงกิเลสมัน กอตัวมาตั้งแต่เมื่อไรเราไม่ทราบได้เลยถ้าไม่ทราบจนกระทั่งว่าปู่ย่าตายของกิเลสคืออะไรโคตรแท้ของกิเลสคืออะไรไม่ทราบได้เราจะทำลายกิเลสซึ่งฝังรากฐานลงอย่างลึกเราจะทำลายเอาอย่างใจหวังให้ได้อย่างบอกก้วยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะกิเลสไม่ใช่กล้วยอพอที่จะบอกแล้วเอามาลทางเลยอย่างนั้น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 ใจดําเนินตามหลักของเหตุผลอยู่โดยสม่ําเสมอความชินของใจก็มีด้วยและสิ่งที่จะมาก่อควาจิตใจให้แล้วความทุกข์ความลาบากคือเรื่องของยิเลสก็มีน้อ ย, อยเป็นลำหนักในอาทิตท่านสอนให้ไปอยู่ในป่าในที่สงบสมออย่างพระท่านดูพระขั้งพฤกษ์การมีจํานวนมากมายที่มุ่งต่อแด น, นพ้นทุกข์และประพฤติปฏิบัติตนด้วยวิธีที่กล่าวมา น, นี้ องนั่นสําเร็จอยู่ที่นั่นองนี้บรรลุอยู่ที่นั่นเรื่อยมาโดยลำดับข่าวท่านมีแต่ข่าวดีๆแต่เรามองดูแต่ผลผมเหมือนกับท่านล้างมือเปิดแต่เหตุคือการบําเป็นของท่านท่านสลัดเป็นสลาดตายมาแทบทุกองค์ที่เดียวไม่ว่าจะออกมาจากสกุลใดๆก็ตาม เมื่อได้มุ่งหน้ามาประพฤ่อปฏิบัติธรรมด้วยความเชื่อความสายต่อเพราะว่าคำาสอ น, นของพระพุทธเจ้าแล้วต้องเป็นผู้เปลี่ยนถ้ทั้งหมดสลิดนิสายใจคอความเป็นอะไรมาแต่ก่อนสลากปัดทิ้งทั้งหมดเหลือแต่ความเป็นนักบวชพยายามดำเนินตนตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเทนานั้นอาหนักก็หนักเป็นก็เป็นตายก็ตายอดก็ยอมอดอิ่มก็ยอมอิมอมอ่มขอให้บำเพ็ญ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 ต้องไปผลเป็นที่ผึนใจโดยลำหนักคำว่าที่นั่นวุ่นวายที่นี่วุ่นวายจะหมายถึงอะไรถ้าหมายถึงใจสถานที่เขาไม่ได้ว่าเขาวุ่นวายดินฟ้าอากาศเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นทุกข์เป็นร้อนเขาวุ่นเขา ว, ข า, วายอะไรไม่ว่าในสถานที่ใดๆก็ตามก็เป็นสถานที่นั้นันอยู่ตามสภาพของเขาผู้ที่วุ่นวายก็คือหัวใจที่เต็มไปด้วยกิเลสเครื่องก่อควนให้วุ่นวายนั่นเองนี่ พระพุทธเจ้ามาสู่สถานที่นี้ที่ดีไม่วุ่นวายคือพระองค์ท่านไม่วุ่นวายพระองค์ได้ชำระหมดแล้วสิ่งที่วุ่นวายภายในจิตใ จ, จภายในพระไถยไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วสถานที่นี้ไม่วุ่นวายพยศแต่พูดถึงเชื่อพยศก็เอายศเข้ามานี้่ที่นี้ไม่วุ่นวายแต่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าจะต้งทรงาบชื่อสามนาเเขารู้ไม่ทราบก็ตามเราก็หมายเอาผู้นั้นแหละเมื่อเราทราบชื่อของท่านแล้ว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 ซึ่งเป็นตัววุ่นวายให้สงบระงับลงไปโดยเราโดยลำดับจนบาระทั่งถึงความราบคาบที่เด็กไม่มีเหลือพันในใจแม้พระทายของพระพุทธเจ้าก็เป็นพระทายที่บริสุทธิ์พุทโธ ท, ทั้งดวงแล้วไม่ใช่พระทายที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายฉะนั้นจึงเรียบพระยศเข้ามาสู่ที่นี่ที่ดีไม่ยุ่งเหยิงที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่เดือดร้อนอสั่งสอนทำแก้ความเดือดร้อนวุ่นวายเข้าไปที่จิตใจ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 มีใจตรงเดียเป็นตัวก่อเหตุให้เกิดความวุ่นวายแต่นั้นมีสิ่งที่จะพาให้เป็นตัวก่อเหตุไม่ใช่ใจใเฉยๆแล้วก่อเหตุขึ้นมาสิ่งที่แทรกสิงนั้นคือสิ่งวุ่นวายเมื่อเข้าไปสิ่งในงจิตใ จ, จของผู้ใดผู้นั้นก็ต้องวุ่นวายการแก้กิเลสหรือการแก้ธรรมชาติที่วุ่นวายนี้จึงแก้ลงที่ใจนี้เองโดยข้อปฏิบัติเป็นการสอนให้กำห น, นดพุทโธธรรมโอสังโฆเป็นเครื่องบริกรรมเพื่อจิตได้สงบระงับในขั้นเริ่มแรก นี่ก็คือเพืพ่อระงับความวุ่นวายแล้วต่อไปมันวุ่นวายกับเรื่องอะไรมีปัญญาจะออกเดินวุ่นวายกับเรื่องรูเปเรื่องเสียงเรื่องกลินเรืองรสเครื่องสมัมผัสอะไรเข้าใจว่าอันนั้นดีอันนั้นชั่วอันนั้นเป็นยังไงบ้างพิจารณาคลี่ค ล, คลาดูให้เห็นตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆแล้วย้อนเข้ามาสู่จิตใจผู้ไปสําคัญนั่นหมายกับสิ่งนั้นสิ่งอ น, น, นั้นว่าเป็นนั้นเป็นนี้แล้วเกิดความวุ่นวายขึ้นภายในตัวเองให้เห็นชัดเจนทั้งภายนอกภายใน ใจก็สงบรวงับลงไปได้นี่การแก้กิเลสแก้ความวุ่นวายแก้ที่ตรงที่ความวุ่นวายอยู่นี่เองคือใจแก้ไม่หยุดไม่ถอยมันจะไปที่ไหนมันก็ระ ง, งับกลับลงไปได้เออเสียงมันนิ่งไปไหนว่าจะลืมยานจากจุดนี้วัตจักก็คือจิต เรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องทุกข์เรื่องน้ำบากทั้งหมดคือจิตเอาเอาลงที่นี่เลยตัวนี้เป็นตัวก่อเหตุคําว่าคือจิตนี่ก็คือคือจิเละที่มีอยู่ในจิตจิตที่ยังคำว่าปลอกจิตเละออกไม่ได้หมดจึงต้องมีเรื่องไม่พึงการทหาขึ้นมาภายในจิตทั้งๆ ท, ที่เราไม่ต้องการมันก็เกิดเพราะธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นจึงลบล้างมาได้ด้วยความสําคัญด้วยความต้องการเฉย ต้องลบล้างด้วยการปฏิบัติกรรมจัดสิ่งนั้นๆด้วยเหตุผลที่ควรได้จะอัตถมนี่เป็นหลังใหญ่เอาบำเพ็ญลงไปคำว่ า, าอาัตยิตโนนราโถดังที่เคยแสดงแล้วให้เด่นพนระนาจิตใจตัวเองมนุษย์เราเกิดมาชอบอาศัยผู้อื่นอยู่เสมออะไรๆต้องพึ่งผู้อื่นอาศัยผู้อื่นเวลาเข้าจนกรอบจนมุมแล้วต้องอาศัยเราพยายามสร้างอาัตยิทนาโ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 หรือจะนํามาความโง่เข้ามาเป็นเครื่องบุกเบิกทางนอกจากมันจะเพิ่มความที่เกียรเพิ่มความโง่เข้าอีกฉะนั้นไม่มีอย่างอื่นเป็นที่เป็นที่เดินของสิ่งทั้งสองนี้เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่จะแก้สิ่งทั้งสองนี้ได้เราต้องพยายามติดขึ้นมาความฉลาดติดได้ พยายามคิดอ่านแต่กรองอยู่เสมอทีแรกก็พยายามผักคิดผักคน้นมากกว่าพรายังไม่เห็นผลจนกว่ า, วาผลปรากฏขึ้นมาแล้วเรื่องความอุตสาห์พยายามความบุกบืนหรือความเชื่อความมัน่นใจความดุดดื่นภายในจิตใจจะเป็นไปเองเพราะผลเป็นเครื่องถุดเป็นเครื่องดึงดูดให้เป็นไปเนี่แก้ลงที่นี่กิเลสมีอยู่กับใจเราจะไปคาดไปหมายที่มุ่นที่นี่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 ความวุ่นวายความทุกข์มันเกี่ยวพันกันอยู่มันเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากความต้องการมั่นหมายนั่นแหละมันช่เกิดขึ้นจากอะไรว่าอันนั้นเป็นอันั้นอันนี้เป็นอันนี้ทั้งๆที่มันไม่เป็นจิตตัวของมันเป็นสําคัญเองแล้วหลงความสำคัญตัวเองก็โกยทุกข์ขึ้นมาเผาคนประเด็นวให้ับความทุกข์ความเดือดร้อนมีเท่านี้เรื่องสําคัญอยู่ที่ตรงนี้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 ความอย่างนี้เป็นความขอบเป็นสิ่งเก่าเกลจะเพิ่มพุกขึ้นมาเ ม, เมื่อมันไม่ดับอย่างใจหมายพราะงนั้นสิ่งที่ถูกต้องให้เหมาะสมกับสิ่งที่ปรากฏอยู่คือความทุกเวลานี้ก็คือการกําหน ด, ดดูให้รู้เรื่องรู้ราวของความทุกข์ว่าเกิดขึ้นมาจากอะไ ร, ะไรจะเห็นความจริงทั้งทั้งทุกข์ด้วยเห็นความจริงทั้งสิ่งที่ทําให้เกิดทุกข์ด้วยด้วยปัญญาของเรานี่แหละเป็นสิ่งที่จะยุติความทุกข์ได้ไม่เป็นสิ่งที่จะงับดับทุกข์ลงได้โดยไม่ต้องสงสัยมีจุดนี้เป็นจุดสําคัญและไม่ต้อง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 ถ้ามันเบาบางไปจนกระทั่งความต้องการนั่นหมดไปคํว่านั่นเป็นเรานี้เป็นของเราแล้วก็หมดไม่ต้องบอกมันก็หมดเองเนี่ยปัญญาตัดขาดตัดขาดนี้เองตัดความตํางัารว่านั่นเป็นเรานี้เป็นของเราทุกก็เป็นเราร้อนจะตายแล้วมันมาเป็นเราอีกมาเป็นของเราอีกเอามาทำใหมมันเหมือนกับไปมันมาเป็นเรามาเผาเราได้แต่เผาเราทําไมความร้อนก็รู้ว่าร้อนความทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์อะไรจะต้องกวาดเอามาเผาจะของอีกทุกข์กับมันรู้ว่ามันทุกข์กหนดดูที่ตรงที่ว่ามันทุกด้วยปัญญาของเรานั่นแหละเป็นความต้อง ตั้งอยู่ให้รู้ว่ามันตั้งอยู่ทุกมันเกิดขึ้นขนาดนี้มันตั้งอยู่ขนาดนี้แล้วมันดับไปขนาดต่อไปนั้นเนี่ยจิดทําไมไม่เห็นมันดับด้วยมันเป็นเดียวกันทอยมันไม่ดับไปด้วยกันมันคนละอย่างนี่นะมันคาดชัดเจนถ้ามันไม่ดับเอามันจะตายโดยการค่ห้ตายจิดยังไงมันก็ไม่ตายแน่นอนขอให้มันรู้ตามความจริงอันนี้อันนี้วิธีข้อขานเด็กในหลักปัจจุบันนธธรรมตามทางของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้เนี่ย ท่านปฏิบัติมาอย่างนี้ท่านรู้เห็นมาอย่างนี้ได้ผลมาอย่างนี้ทํานี้จะเป็นอย่างอื่นเปนไม่ได้เพราะกิเลสไม่เป็นอย่างอื่นคือไปกิเลสด้วยดีการแก้ไขด้วยศีลสมาธิปัญญาที่เราบําเพ็ญเราปฏิบัติตรงนี้จึงเป็นการถูกต้องและเหมาะสมกับการแก้กิเลสดังพระพุทธเจ้าพัดนำเรนมาอยู่ที่ไหนก็ตามหยัดละจุดที่ควรแก้ไขจุดที่ควรตรวจจับจุดที่ควรสอดรู้จุดที่ควรพยายาม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 หน้าที่ของเรามีไงฟาดลงไปมันเห็นเหตุเห็นผลเห็นความจริงความจริงซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราดวงเดียวนี้เมื่อเห็นชัดเจนแล้วที่เลสไม่ต้องบอกมันแตกกระจายไปหมดนั่นสู้ปัญญาไม่ได้นั่นแหละเราถึงจะได้เห็นชัดเจนว่าอะไรมันเป็นกิเลสอะไรมันเป็นโกงจับอะไรมันเป็นตัวเกิดตัวตายตัวทุกข์ตัวลําบากทั้งทั้งหลายอะไรเป็นตัวยุ่งเหยิงวุ่นวายที่ไหนเป็นที่เดือดร้อนที่ไหนเป็นที่วุ่นวาย เมื่อทราบนี้แล้วมันรู้เพราะตอนนั้นความเดือดร้อนมัวร์มันหมดเพราะกิเลสตัวเก่าควรให้เดือดร้อนวร์มันหมดไปด้วยหน้าของปัญญาหมดทุกหมดที่จกายามันจะมีก็มีเรื่องของมันจะเป็นไงไปือมันมีอยู่ของมันอยู่จนกรทั่งวันหมดวันสลายนั่นแหละเดี๋ยวแสดงนู่นเจ็บท้องปวดหัวเจ็บนั้นปวดนี้อยู่นั้นเรื่องของมันว่าไง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 คือทําหน้าที่ตามสายลากคือนในการทุกขังตาเขาก็ทำเข้าไปผู้ศิลุกกรดตายลากก็ให้รู้ไปวิจารณาไปเห็นตามไปยิงไปแม่ไปชืป่อว่าผู้ฉลาดนี่ลหละถนัดกุศลาธรรมมาผู้ฉลาดที่กรุงนี้สวดให้ดีนะกุศลาธรรมมาจะไปค่อยแต่งตัาผ้ามาสวดเวลาตายแล้วเคาะลงโป๊ะเป๊ะเลยทคพายมาตายเราตอนยังเป็นคนอยุ่ไม่อยากฉลาดเวลาตายแล้วไปเรียกกันมาสวดกุศลากันยุ่งไปหมดกุศลาธรรมกับเท่าเดิมมันแหละ วาส่วนนั้นมันถูกจุดสิส่วนกุศลธรรมแะแปลว่าความชนะเรียนเรื่องตัวให้มันรอบให้มันรู้รอบดความโมง่ก็อยู่ในตัวเองความชนดอยู่ในตัวเองผิดขึ้นมาได้อากุศลธรรมะมันก็อยู่ที่จิตมันอยู่ที่ไหนนี่นะอภิญญาตาทำมาก็อยู่ที่จิตกุศลธรรมะเขอยู่ที่จิตเนี่ยแก่จิตจนบริสุทธิ์แล้วไม่ต้องพูดแบบกุศลธรรมะก็ใหม่สนใจจะพูดเสียเวลา อภูชะลาธรรมาก่าเสียเวลาอภิยะธรรมาก่าเสียเวลารู้ตามความจริงนั้นสบายดีอตายแล้วไม่ต้องไปหาพระมากุศลธรรมาล่ะถามมันถึงที่ถึงผลแต่มันรู้จริงๆนะภายในจิตใจเนี่ยความจริงมีอยู่กับทุกคนพระพุทธเจ้าไม่หลอกหลงโลกพระองค์เห็นก่อนแล้วรู้ก่อนแล้วจะนําความรู้จริงเห็นจริงมาสอนโลกแล้วมันจะปลอมไปไหนนอกจากจิตใจของเราที่เลดภาให้ปลอมเท่านั้นเองมันต้องปลอมด้วันดั้งคาคือยังลุ่มหรือยินหรืเห็นอะไรปลอมไปหมดเพราะกิเลสภาให้ปลอม ถ้าสติปัญญาได้ยังไปตรงไหนความจริงมันก็ชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาปัญญาเต็มที่ความจริงแส ด, ง, ส ด, ดงเต็มผูกไม่สงสัยอืมนี่แหละเรียนทำจบเรียนวัตจักแก้วัตจักจบที่ผิดดูแสนสมายเนี่ยทถนัดโลกุตระธรรมมันเหนือโลกทั้งทั้งตีอยู่ในโลกอยู่ในขันมันก็เหนือขันมันไม่ยอมให้ขันกดขี่บังคับมันได้เหมือนอย่างแต่ก่อน รู้ตามมัจริงมันทุกอย่างแล้วมันไม่มีอะไรจะมาทําลายจิตใจไม่มากดขี่บังคับจิตใจได้เองได้เลยคืงเรียกว่าเหนือโลกเือโลกคือขันเนี่ยมันเหนือที่ตรงนี้เองโลกุณาธรรมแปลว่ารมเหนือโลกนะนิพพานังปรามังสุขขังถามหาอะไรขอให้จิตบริสุทธิ์เท่านั้นกับคําว่านิพพานังปรามังสุขขังอันเดียวกันส่วดไม่สวดว่าไม่ว่าก็อันเดียวกันเนี่ยพยายามสวดกุศลาให้ตัวเองนะ เดไปคอยจะเอาผ้ามาสวดกุศลธรรมะยุ่งถ้าเป็นผ้าท่านไมอยากยุ่งเนี่ยท่านลำคานท่าน่อยากไปนอกจากพระหากินมันท่านจะจับไปเพราะวันนี้คนตายนะ<ม>กุศลนะอาหารล่างเกินแล้ววันนี้มันอาจเป็นไปได้อย่างนั้นถ่ายถ้าผท่านมุ่งอาจมุ่งทำท่านไม่สนใจเะไรท่านขี้เกียจยุ่งเวลาสอนให้กุศลธรรมะไม่สนใจเวลาตายเอาไปกุศลารรมใหม่งานะตันจะว่างนะั้นะนะอาละเอวัางถึงนี้แล้วหยุด <laughs>